พระธรรมเทศนาแผ่นที่6 7สดลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่9ตุลาคม2557มีชื่อเรื่องว่าดีหรือชั่วจูที่ตัวเราทม เอั้ น, นีชงชายร้องอีตาว้วันเนี่ยแต่ร้องข่าวนี่คงจะฝนฝนคงหยุดแล้วมั้งอากาศเริ่มเริ่มเย็นแล้วแต่ตามไม่จริงอากาศขนาดนี้พอดีพอดีนะหลวงพ่อว่านะอากาศพอดีอากาศเดือนตุลาเนี่ยที่วัดของเราอากาศเดือนตุลาในดีด ไม่ร้อนไม่หนาวแล้วก็ผอกคูบาทั้งหลายนตะาว่าโรงทานโรงทานเข้าข้างข้างในมันเต็มนะมันเต็มก็น่าจะน่าจะเอามาใส่ที่ตักบาดข้างนอกดีไหมปรึกษากันนะแล้วก็เอาตะแค่มาวางข้างหลังแล้วก็ปล่อยน้ำ ปล่อยสายน้ำออกมาเรียบกำแพงเลยแต่ให้ถอดได้นะไปเอาปล่อยจะไปเอาไว้พอเสร็จแล้วก็เก็บให้เป็นท่อลอยๆอยลอยอ ย, อยมาตัดเป็นช่วงๆแล้วก็รงทานเอาไว้ข้างนอกถ้ามันเหลือข้างในนะ คนข้างนอกออกมาข้างนอกกินข้างนอกได้เป็นไรไปเพราะว่าข้างในรู้สึกมันจะมันจะเต็มมั้งทำให้เต็มก็ไม่เป็นไรนะแต่มันเต็มข้างในออกมาข้างนอกหลวงพ่อว่าได้หลายหลงทานเหมือนกันที่ใส่บาด ท, ที่ใส่บาดของเราติงไว้เฉยๆแต่มันจะเกะกะไหมกระกลมมันก็หาง ห่างจากถนนพอสมควรอยู่ก็ไม่น่าจะเกะ ก, กะมากเพราะรถมากก็ต้องระมัดระวังอยู่แล้วละ่ะเพราะมันคนเยอะวันนี้หลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วจะได้ไปจะได้เข้าอุดอรนะลูกหลานนะทศายาิโจมขอนิ้มวลหลวงพ่อไปเป็นองค์แสดงธรรมงานของหลวงปู่วัดโพธิสมพร ครบร้อยสามปีมั้ยร้อยสองนะร้อยสามร้อยหนึ่งลวงพ่อยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะงานขอพรอบวันที่สิบตุลางานของวัดหลวงปู่วัดโพธิสมพรแต่ก่อนหลวงพ่อเองเป็นองค์แสดงทำตอนทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งคือตอน มัวค่าแต่คราวนี้เขานิมนต์ไปแสดงธรรมตอนบ่ายโมงอ่บ่ายโมงก็บ่ายโมงเป็นไรไปเพราะว่าเ็าคงจะเป็นการบวชชีพรามมัง้งประวันไปตั้งแต่วันที่เก้าแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อไปไปวันที่สิบทุกทุกวันอ่ะเย็นวันที่เก้าะวันที่สิบตักบาตรเช้าหลวงพ่อเขาไม่ได้ไปหรอกทุกเช้านานหลว ง, งพ่อไม่ได้ไป เขียนว่าคนเยอะแนตะ่คนเยอะเนี่ยหลวงพ่อกลัวไปไปทำหน้าที่แสดงธรรมแล้วก็น่าจะเพียงพอมีอะไรก็ไปกราบท่านแต่ท่านมาหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปกราบท่านท่านพักอยู่ที่โรงพยาบาลวัฒนาท่านไม่ได้มาพักวัดโพพักวัดที่โรงพยาบาลวัฒนาหลวงปู่ใหญ่วัดโพที่สมพรหลวงพ่อก็ไม่ได้เข้าไปกราบท่านกราบแต่อยู่ที่ โรงพยาบาลจุลาที่ท่านไปป่วยพอท่านอักการดีขึ้นแนละ้วกลับมาแล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้เข้าไปถ้าเข้าไปก็ดูๆแล้วเกิดจะเป็นการรบกวนยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างหากท่านก็ป่วยของท่าน เ, าเราก็เข้าไปแต่แตามไม่จริงก็ควรจะเข้าไปนะบางครั้งนะแต่เราก็ห่างไปสักหน่อยอยู่เพรเหตุเราก็ไม่ค่อยเข้าไปในเมืองเหมือนกันนานหลวงพ่อจะได้เข้าไป ถ้าเขามีความจำเป็นทช่นก่อนยังคอยเข้าไปในเมืองแต่ละครั้งเข้าไปก็เดินทางไกล ย, ยุ่งเหยิงวุ่นวายอีกต่างหากนะเพราะไม่อยากจะทำให้จำเป็นจริงจะไม่ขยับวันนี้เป็นวันที่เกตุลาคมพุทธศักราช2557ห้าบเจดเมื่อวานเป็นวัน ประวารณามหาประวารณาของพระสงฆ์วันนี้เป็นวันแรมคาหนึ่งเดือน11แล้วก็วันที่12เป็นวันกะถินของพวกเรากระถินปีนี้เป็นกะถินที่หลวงพ่อได้ประกาศแล้วประกาศอีกคือกะถินที่เราจะรวบรวมจะตุปใจ เพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตา เ, เราประเดิมแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อก็ไม่เคยหนักใจพูดแล้วพูดอีกเหมือนกันในจุดนี้ไม่เคยหนักใจเกี่ยวกับเรื่องเจดีย์ของหลวงตาคิดว่าเป็นไปได้ในความรู้สึกของหลวงพ่อนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทธา ญ, ญาติโยมทุกหมู่เหล่าทุกคนนะที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อหลวงพ่อว่าไม่ต้องหนักใจ พวกเราก็ทำตามสบายมีศรัทธาเท่าไหร่ร่วมสมทบเท่าไหร่เพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาก็ร่วมกันสมทบในเมื่อเราทําไปแล้วเน่เราก็ภาคภูมิใจนานเท่านานเพราะว่าจะได้จะหาได้ที่ไหนที่พวกเราจะได้สร้างเจดีย์ของพระอรหันต์อย่างองค์หลวงตา ท่านทำคุณูปการให้กับประเทศชาติทำคุณูปการให้กับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของหลวงพ่อเองที่ได้รับธรรมกามสอนจากองค์ท่านเกือบจะว่าไม่เว้นแต่ละวันที่ได้ได้ฟังเสียงของท่านแต่ฟังธรรมเทศนาของท่านอันนี้ถ้าเราพิจารณาดูแล้ว ทบทวนดูแล้วกันกรองด้วยเหตุผลแล้วนะลงตาเป็นผู้มีพระคุณสรุปแล้วก็คือในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกพูดไว้ในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าผู้ใดมีปัญญาจะลําลึกถึงคุณพระคุณของพระพุทธเจ้ามากมายบรรยาย ทั้งชาติก็ยังไม่จบเพราะพระคุณของพระพุทธเจ้ามีมากคือผู้มีปัญญามากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้พระคุณของพระพุทธเจ้ามากไม่มีบรรยายไม่ไม่รู้จักจบจักสิ้นนี้ก็เหมือนกันอะพวกเราทากว่าพวกเราใช้จติตใช้ปัญญาล้ำลึกถึงพระคุณขององค์หลวงตาที่ท่านทำคุณอุปการให้กับชาติบ้านเมืองกับพวกเราก็ มากมายมหาศาลแต่เว้นเสียแต่คนไม่ได้คิดฮะยังไม่ได้คิดแล้วโง่อีกต่างหากแต่คนบางคนก็มีปัญญาอยู่แต่ไม่คิดแต่บางคนน่ยคิดคือคิดไม่ออกเพราะพราโง่นะอถ้าโง่แล้วมันระลึกถึงบุญคุณใครไม่ได้ทั้งหมดระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ก็ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะอไม่มีปัญญา เพอร์เพอยังตำหนิอีกสิโดยซ้าไปาถ้าจนอย่างนี้ทำให้เราเกิดขึ้นมาทำไมถ้าจนอย่างนี้พ่อแม่จนนี้ทำไมเราให้ทำให้เราเกิดขึ้นมาทำไมถ้าหลงถ้าหลงพ่อเป็นพ่อเป็นแม่หลงพ่อก็จะบอกว่าแต่แกเสือกมาเกิดทำไม <c oughs> โลดอยู่แล้วข้าจนตะแกยเสือกมาเกิดทําไมถ้าหลวงพ่อเป็นพ่อเป็นแม่นะหลวงพ่อก็คงจะย้อนกลับอย่างนั้นเหมือนกันพ่อแม่ทุกวันนี่ไม่กล้าพูดกลัวลูกจะเสียใจก็เลยไม่กล้าพูดพูดลูกพูดยังไงก็มีแต่หลับตาเผลอเผลอเผลอเผลอน้ำตานองหน้าอีกพ่อแม่ฮโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่นะพูดอะไร ลกกระแทกแดกดันนะครับพ่อกับแม่ก็เลยหมดปัญญานี่แหละอันนี้ก็คือถ้าจะพูดไปแล้วก็คือโลกที่ไม่มีปัญญามีปัญญาอยู่แต่แต่ไม่ได้ใช้ความคิดไปในทางที่สร้างสรรและไปในทางที่บรรยายพระคุณของท่านที่ท่านเราเกิดมาอ่า เนี่ยท่านท่านเลี้ยงดูเรามาใหญ่ถึงขนาดนี้เอาตัวรอดได้ขนาดนี้ขาสองแขนสองสมองหนึ่งได้ขนาดนี้แล้วเราจะเอาอะไรกับท่านอีกล่ะเมื่อเราเลี้ยงเรามาแล้วเราพร้อมที่จะกระโดดไปในทิศทั้งสี่คนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้คนมีปัญญา จะหาอะไรก็ได้หาความรู้หาอะไรก็ได้แต่ที่เราเอาตัวไม่รอดเพราะเราโง่ใช่ไหมเราขี้เกียจใช่ไหมเราไม่มีปัญญาอย่างนั้นใช่ไหมมันก็คงจะเข้าลักษณะอย่างนั้นจึงเอาตัวก็ไม่รอดคนที่มีปัญญาแล้วนั่นพั์ในประเทศทรั์อยู่ในโลกนี่มากมายมหาศาลคนโบ ร, ราณโบราณเกิดมามีลูกกี่ภพ ไม่รู้กี่ชาติ เ, าเขาคนเกิดมาแล้วก็ต่างคนก็ต่างหาหาแล้วก็ต่างคนก็ต่างตายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาหาอีกกระตายไปก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นผู้ที่รวยก็รวย้ผู้ที่จนก็จนผู้ที่จนเพราะอะไรมันต้องมีเหตุซะก่อนมันจึงจนคนที่รวยเพราะอะไรก็ต้องมีเหตุเหมือนกันจึงรวยมันต้องมีเหตุมีผลใน แต่ละคนแต่ละเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราสร้างเหตุดีในเมื่อสร้างเหตุดีผลก็ต้องออกมาดีถ้าเราขี้เกียจขี้เกียจเรียนขี้เกียจศึกษาขี้เกียจทำมาหาเลี้ยงชีพขี้เกียจทําการงานมีแต่สิ่งไหนที่มันชั่วขนเข้ามาหาตัวเองกินเหล้าบังสุราบังนารีบังพาชีบังกีฬาบัด สิ่งไหนที่มันเร็วๆขนเขามาหาใส่ตัวเองถ้เาเมื่อขนเข้ามาหาตัวเองแล้วเราจะเป็นยังไงอมันก็จนนาทีแต่ไเราจะตำหนิใครตำหนิประเทศชาติตำหนิดินฟ้าอากาศหรือตำหนิใครตำหนิพ่อแม่แต่โดยมากมันจะไม่ตำหนิตัวเองถ้าคนตำหนิตัวเองนะมองตนเองให้ดูเจ้าของเบิ่งเจ้าของ ว่าเราในขาดเรือขาดตกปกข้องอะไรในตัวของข้าพเจ้าถ้าพวกเรามองตัวเองไว้อยู่เสมอนะไม่ลืมไม่หลงตัวเองคนนั้นอ่ะแค่แค่ว่ามีสติอยู่กับตนเองจะทําอะไรจะเดินก้าวเดินก้าวไปที่ไหนอจะคบค้าสมาคมกับใครเรื่องอะไรผิดหรือถูกอะ ก็ เ, เหมือนเราเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเฝ้าบ้านเราก็จะเห็นสิ่งที่มันขาดตกบกพร่องเห็นสิ่งที่เราจะเดินไปทางไหนเพราะเรามีสติสัมปชัญญะในตัวของเราแต่ถ้าหว่าวกเราขาดสติทั้งกินเหล้าทั้งดื่มโซราด้วยทั้งยาเสพติดด้วยยังมีอารมโมโหโกธาสิ่งที่มันชั่วขนเข้าหาตัวเองด้วย การพนองการพนันในสิ่งไหนที่มันไม่ดีขนเข้ามาหาตัวเองแล้วจะคิดไปทางหน้าได้อย่างไรเพราะเหตุว่าตัวเองมันหมกมุ่นกับสิ่งที่มันเลวสิ่งก็มันเสียหายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราพวกทุกท่านนะที่พูดให้ฟังเนะี่ยคือให้ดูเจ้าของในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนะ่ท่านให้ดูตัวเองแล้วก็ให้พึ่งตนเอง เราจะพึ่งใครเพอเราเกิดมาแล้วแต่ถ้าว่าคนถึงจะไม่มีบุญวัดาสนาบารมีเก่าแต่เกิดมาพบนิชชานิขยันถึงยังไงก็ยังเอาตัวรอดได้แต่คนไม่มีบุญวัดาสนาเก่าเกิดมาพบนิชชานิขี่เกียรติทั้งขี่เกียรติด้วยทั้งไม่มีบุญวัดาสนาบารมีด้วยอันนั้นแปลว่าตกต่ำํำเอาตัวไม่รอดแน่ คำว่าบุญวาสนาบารมีตัวนี้คืออะไรเ่คำบุญวาสนาบารมีเก่าแก่เนี่เราได้ทำบุญไว้ในอดีตในอดีตตอดีตแต่ชาติปุเพจักตะปตะุญญาตารปุเพจักตะปุญญาตาเราได้ทากรรมดีไว้ในอดีตได้สร้างบุญกุศลไว้ในอดีตได้ทำบุญกับ ได้ทําทานกับพระอระหันต์ในอดีตได้ทําบุญทําทานกับพระพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าหรือได้ทําการเสียสละไว้ในอดีตปุเพจกขะตะปุญจตานะถ้าเกิดมาพบนิชาตินี้เขาก็ไปเกิดในที่รวยออไปเกิดในลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีรวย น, นั่นก็คือเขาทํากรรมดีไว้ในอดีตแต่พอมาเกิดรวยแล้วตอนี้ ถ้าหากว่าเราไปอยู่ในชุมชนที่ไม่ได้รับไม่ได้รับอบรมที่ดี เ, เข้าไปเกิดในจดรวยก็จริงอยู่ไปเกิดในกลุ่มที่ไม่มีคุณธรรมศีลธ ร, รรมจริยธรรมไปเกิดในภารชนกลุ่มภารชนภาลชนรวยแต่เราก็ถล่มเข้าไปไปกับพารชนเหล่านั้นอีก สิ่งไหนที่มันชั่วเสียหายไร้ไรศีลธรรมเราก็ทําอย่างนั้นอีกนั่นแหละความรวยแต่นั้นแหล ะ, ลหละจะพาให้เราจมดิ่งลงไปลึกลงไปอีกเพราะเหตุอไรเพราะเรารวยอีกต่างหากการเสริมความรวยของเราก็คือรัพย์เอาช็อปซับไปใช้เป็นในทางที่ผิดนะเผืเ่อ เ, เอาเงินที่ตัวเองรวยนะั่นจ้าง ค่าคนนั้นจา่างฆ่าคนนี้ทำอะไรที่มันเร็วซื้อใดด้วยเงินพให้สุก็เลยยิ่งจมเด่งลุกลึกลงไปอีกแปลว่าตั้งตนไว้ไม่ชอบอัตตสัมมาปณิธิเมื่อตั้งเกิดมารวยและตั้งตนไว้ไม่ชอบไปทางต่าไปทางต่าได้ลึกทีเดียวเพราะหลายเพราะมีส่วนประกอบสิ่งอำนวยความสะดวกมันพร้อมสิ่งเหล่านี้ อยู่กับใครอยู่กับเราอยู่กับสติปัญญาของพวกเราอยู่ดกับบุญวัดาสนาบา ร, รมีของพวกเราเพรานั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้คิดให้ดีดูให้ดีคิดให้ดีการกรองด้วยเหตุและผลในเมื่อพวกเราใช้สติใช้ปัญญา กลักรองด้วยเหตุและผลแล้วนั่นแหะเราจะเดินไปในทางที่ถูกต้องเดินไปในทางที่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวไว้แล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่เป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าคือพระสงฆ์สาวกมาประกาศเผยแผ่แนะนําสั่งสอนพวกเราไปในทางที่ดี พวกเราก็จะเดินไปในทางที่ถูกต้องสมที่เบื้องต้นว่าปุกเพจักกะตะปุจตาอัตตะสัมมาปณนิธิมันก็เข้ากันทั้งบุญเก่าในอดีตรเราก็มาเกิดเราสมบูรณ์ไม่วิกลวิการร่างกายไม่หูหนวกไม่หูหนวกตาบอดบ้าใบา เราได้ได้ขนาดนี้ก็เอาเป็นที่พอใจแล้วละ่ะแต่จะให้สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ใครๆก็อยากรวยอยากสวยอยากงามอยากเด่นอยากดังด้วยกันทั้งนั้นแ่ะแต่ว่าเราก็ต้องคิดดูบุญของเราที่เกื้อกูลหนุนให้ขนาดไหนมาถึงขนาดนี้ก็เป็นที่พอใจจากนั้นเราก็พยายามต่อเติมให้ดีขึ้นสูงขึ้น มัน hmm. อยู่กับเราแหละสิน เ, เราจะทำให้เตี้ยเราจะทำให้สูงมันอยู่กับเราทั้งหมดเราทำไม่เตี้ยก็ได้แล้วทำให้สูงก็ได um ้เพราะโลกนี่โลกหาได้อย่างที่วัลลีของคุณแม่ชีแก้วท่านบอกว่าโลกนีโลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หานรกใส่ตัวเองก็ได้หาสวรรค์ใส่ตัวเองก็ได้หาคุกหาตารางใส่ตนเองก็ได้หาล่าหารวยใส่ตนเองก็ได้โลกนีโลกหาได้ เพราะนั้นเราจะหาอะไรใส่ตัวเองเป็นหน้าที่ของพวกเราถ้าเราโง่เราก็ต้องหาสิ่งที่มันเร็วๆใส่ตัวเองถ้าเราฉลาดเราก็ต้องหาสิ่งดีอันไหนที่ดีดูไหมดีถ้าคนฉลาดก็ต้องรู้ว่าดีคืออะไรชั่วคืออะไรทางโง่แล้วไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งอย่างหลวงปู่จามท่านก็พูดอีกจะทําชั่วก็ทําไปเถอะ นรกไม่เต็มจะทำดีก็ทำไปนสวรร์ไม่เต็มคล้ายๆวัาสวรร์กับนรกนี่พ่องยังพ่องสำหรับรองรับคนดีนรกก็พ่องอยู่สําหรับต้อนรับคนชั่วทำไปเลยใครจะทำความชั่วทําได้นรกไม่เต็มใครจะใครจะทำความดีก็ทำเลยเลยสวรร์ก็ยังพ่องอยู่ไม่เต็ม เพราะนั้นพวกเราเลือกเอาได้นะเลือกเอาได้เราเจ้าดีเลือกเอาชั่วมันอยู่กับตัวของเราพวกเราท่านทั้งหลายทั้งหมดต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร